วันนี้บรรยากาศรู้สึกว่าเพียอพร้อมเหมาะสมเพราะพอเหมาะพอดีกับเพื่อนฝูงที่เคยอยู่วัดป่าบรนตาดนี้มาหลายปีแล้วแยกย้ายกันออกไปอู่สถานที่บำเพ็ญต่างๆและตั้งเป็นสำนักขึ้นมาอยู่ บำเพ็ญโดยลำพังในที่นั้นๆแล้ววันนี้ได้มาร่วมงานกระถิ่นที่วัดนี้จึงมีพระจำนวนมากรวมทั้งพระทั้งเนด้วยก็ห้าสิบองค์พอดีการที่ท่านทั้งหลายมาเยี่ยมในสถานที่นี้ ผมไม่มีสิ่งใดที่จะมีเป็นข้อหนักแน่นยิ่งกว่ามาสาะแสวงอัดแสวงธทรรมของเพื่อนฝูงทั้งหลายเพื่อได้ข้อคิดเป็นคติสอนใจนำไปประพฤติปฏิบัติตนในวาระต่อไป <c oughs> ไม่มีสิ้นสุดจนกระทั่งชีวิตหาไมโ น, น้นไม่อยากได้ยินได้เห็นในการ ลบลีบปีดตัวออกจากแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้เช่นเรื่องก่อนั่นสร้างนี้ยุ่งนั่นยุ่งนี้เหมือนโลกเขาจัดเขาทำกันนั่นเป็นเรื่องของทางโลกเขาโดยตรงไม่ใช่เรื่องของทางธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้เพื่อความพ้นทุกข์ของพระ ของผู้ปฏิบัติได้ดำเนินตามการาดำเนินตีแวะจากลู้จากทางออกไปมากน้อยแสดงให้เห็นเป็นความผิดของตนเป็นลำดับลำดาษทีละเก้าสองเก้าทีละวันสองวันหลายครั้งหลายหลหลายวันหลายคืนก็ไกลจากมากจากผลจากอัดจากทมอย่างลึกลับ มองไม่เห็นเลยสุดท้ายก็คว้าน้ําเหลวไปด้วยกันทั้งๆ ท, ที่เคยได้ยินได้ฟังอัตธรรมที่ท่านชี้แจงแสดงไว้มีครูอาจารย์เป็นสําคัญแต่แล้วก็ไม่ได้ผลประโยชน์อะไรเท่าที่ควรเลยอย่างนี้ไม่อยากเห็นไม่อยากได้ยินสําหรับผมเองที่เคยแนะนําสั่งสอนหมู่เพื่อนเรื่อยมาจึงขอให้เพื่อนฝูงทั้งหลายตระหนักในข้อนี้ให้มาก อย่าตื่นเต้นกับโลกกับสงสารซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสด้วนๆโลกทั้งหลายเขาชุนมุนวุ่นวายกันอยู่แล้วอย่าไปแย่งโลกเขาเอากิเลสมาบีบบังคับหัวใจตนเองสิ่งที่ดีที่ดินนี้อยู่ในสถานที่ใดบุคคลใดยอมจะทำสถานที่และบุคคลนั้นๆให้รับความทุกข์ไปมากน้อยโดยไม่ต้องสงสยัย ความสงบลมเย็ยนเพราะการปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งปราศจากภัยทั้งหลายนี้เท่านั้นเป็นทางดำเนินเพื่อความราบรื่นแก่ผู้ปฏิบัติตามดังที่เคยสอนท่านทั้งหลายร่ึยมาแม้ผมเองที่สั่งสอนท่านทั้งหลายก็ไม่เคยเป็นผู้เที่ยวก่อเที่ยวสร้างแต่ไม่ได้ยกตนข่มท่านผู้หนึ่งผู้ใด พูดมาเพื่อเป็นเครื่องยืนดันให้ท่านทั้งหลายที่มาศึกษาอบรมกับผมได้ยึดไปปฏิบัติเป็นอีกแนวหนึ่งจากครูจากอาจารย์นั้นๆเช่นในสถานที่นี้ก็คือจากผมไปไม่เคยเที่ยวกอ่อเที่ยวสร้างยุ่งเหยิงวุ่นวายกับสิ่งนั้นสิ่งนี้นอกจากฟัดกับกิเลสตลอดเวลาตั้งแต่วันออกปฏิบัติมา คือออกมาจากการศึกษาเระเรียนแล้วก็ก้าวขึ้นสู่เวทีคือภาคปฏิบัติฟาดกับกิเลสไม่มีวันมีคืนมีปีมีเดือนหามลุง่งหามค่ำตาหูจมูกลิ้นกายมีประหนึ่งว่าไม่ได้ใช้ไปทางอื่นนอกจากจดจ้องมองดูเพลงของกิเลสที่จะตกจะต่อยมาในแง่ ใ, ใดมุมใดเท่านั้นแม้เช่นนั้นก็แทบเป็นแคบตาย บางครั้งอย่างไายสู้มันไม่ได้จนน้ำตาล่วงไม่ได้ลืมจนกระทั่งบัดนี้นี่เป็นคติอันหนึ่งที่เป็นเครื่องพร่มสอนตนเองและได้นำมาพร่ำสอนเพื่อนฝูงให้ยึดเป็นหลักอันสำคัญทั้งๆที่เราไม่ได้มีหน้าที่การงานอันใดเลยจดจ้องต่อข่าศึกคือกิเลสความโลภความโกรธ ราคะตัณหานี่เป็นตัวสำคัญสำคัญก็คือราคะตัณหานี้สำคัญมากที่สุดในวงของกิเลสทั้งหลายซึ่งอยู่ในหัวใจของผู้ปฏิบัติเราอันนี้เด่นมากถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติเราก็ไม่รู้เมื่อปฏิบัติลงไปนั่นแหละตัวนี้จะแสดงความเด่นชัดยิ่งกว่าบรรดากิเลสทั้งหลายหเห็นอย่างชัดเจน เท่าที่ไม่ลืมหูลืมตามองดูโลกดูสงสารอันเป็นเรื่องของโลกเขานั้นก็เพราะการตบต่อยด้วยการต่อสู้การระมัดระวังที่เด็ดเหล่านี้ซึ่งเป็นค่าสือ่อการสาคัญที่จะคอยเผาผลานเราให้หรือซ้ำเติมเราไปลงไปโดยลำดับนั่นแหละเจลี้งในตั้งหน้าตั้งตาต่อสู้กันเต็มติกกำลังความสามารถเรื่อยมา งานใดก็ตามในโลกเท่าที่เราเคยผ่านมาแล้วด้วยสติกำลังความสามารถของเราว่าหนักก็หนักก็ยอมรับว่าหนักแต่ยังไม่เคยเห็นงานใดที่ผ่านมาทางคาราวะาทางโลกท า, ทางสงสารนั้นว่าเป็นงานที่หนักน่วงทวงจิตใจถึงกับต้องสละเป็นสละตายต่อกันเหมือนงานฆ่ากิเลสนี่เลยงานนี้ได้ทุ่มลงทุก ทุกสิ่งทุกอย่างวิธีชีวิตมอบไว้หมดเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์หากตายเพราะกิเลสสังหารเราเราสู้กิเลสไม่ได้หากเรามีความสามารถสู้กิเลสได้แล้วเราก็ขอเอาธรรมาธรรมานุธรรมานุธรรมะปฏิปตินี้คือการปฏิบัติธรรมสมควรที่จะขาดกิเลสได้นี้บูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ต่อไป งานนี้จึงหนักมากในการปฏิบัติตัวแม้ไม่มีงานอื่นใดเข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องการนิมนต์ประชันที่นั่นที่นี่นั้นไม่ต้องพูดเลยนี่แม้รับที่ไหนทั้งนั้นเพราะมันเป็นช่องว่างที่จะให้ค่าศึกติดตามแทรกแซงในกิจการงานนั้นๆอย่างน้อยให้ล่าช้าและหยุดชะงักในความเพียรมากกว่านั้นมันก็ กลุมเราโดยไม่รู้สึกตัวสุดท้ายจนอ่อนตัวไปเพราะสิ่งเหล่านี้แล้วไปพอใจกับโลกามิเสียโดยไม่รู้สึกตัวนั่นชื่อว่ากิเลสได้ที่แล้วและจะสังหารเราในววระต่อไปให้ร่มจมโดยไม่ต้องชิบหายเพราะฉะนั้นจึงไม่รับนิมนต์ที่ไหนเข้าอยู่แต่ในป่าในเขาลึกๆ ล, ลับๆที่ควรเป็นควรตายอยู่ทั้งนั้นเพื่อจะทดสอบเพื่อจะห้ามหันกับกิเลส ตัวตัวไหนที่มันกลัวตายไปอยู่สถานที่ใดกลัวตายนั่นคือเรื่องของกิเลสประเภทหนึ่งชอบไปอยู่ในสถานที่เช่นนั้นอยากจะรู้ดิเดดหรืออํานาจวาสนาของตัวเองว่ามีกําลังวังชากขนาดไหนจะพอต่อต้านกันได้หรือไม่กับกิเลสและให้เห็นความจริงขึ้นมาในการต่อสู้กับความกับสิ่งกับสถานที่น่ากลัวเช่นนั้น จนปรากฏผลขึ้นมาให้เห็นอย่างชัดเจนได้จับมาวัดมาเทียบกันอย่างถึงใจสถานที่ไปอยู่ที่เส้นนั้นมีน้ำซ้ำบางครั้งเสือกระหึ่มกระหึ่มขึ้นลืมเมื่อไรไม่ลืมขึ้นข้างทางจงกรมตัวสั่นขึ้นทางนี้พอจิตเกิดความกลัวสะดุ้งจากเสียงของ คสือคำรามตามภาษาของมันนะไม่ใช่มันมาคำรามใส่เรามันร้องมันครางด้วยความคึกความขานองของมันตามภาษีภาษาของสัตว์แต่เราก็เป็นบ้าไปกลัวเสียงของมันทั้งทั้งที่เสียงก็มีอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองเต็มโลกเต็มเมืงสารไม่กลัวไปกลัวเสียงเสือความกลัวนั้นก็ได้สติหักกลับเข้ามาสู่จิตใจห้ามให้ส่งเสียงออกไป ส่ง ส, ส่งจิตออกไปสู่เสียงสู่ตัวเสือก็ตามเสียงก็ตามกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเสือใดใดก็ตามไม่ให้ส่งออกไปเป็นรังขาดดัดจิตใจไว้ให้อยู่กับที่ด้วยสติมัดให้แน่นเป็นกับตายก็เสือจะเอาไปกินก็ขอให้ตายอยู่กับความรู้อันนี้กับเช่นอย่างวริกรรมพุทโธก็ให้อยู่กับพุทโธ อยู่ในวงสมาธิคือความสงบใจก็ให้จิตแน่วแน่นอยู่กับความสงบไม่ให้ขยับขยื่อนออกไปในกิริยาต่างๆของใจนั้นเลยเอาจนอยู่หมัดฟังให้ดีท่านผู้ฟังทั้งหลายนี่เวลาเข้าหัวเลี้ยวหัวต่อซึ่งเป็นสถานที่จำเป็นมันเป็นได้อย่างนั้นจริงๆไม่สงสัยนำความจริงออกมาประกาศให้ท่านทั้งหลายได้ทราบเพื่อเป็นกติเครื่องเตือนใจว่าสถานที่กลัวนั้น นำผลประโยชน์มาให้เราอย่างไรบ้างนี่ได้เป็นแบบปาฏิจักรเพียงแนะนํามาเมื่อเป็นเช่นนั้นสถานที่ใดน่ากลัวมากเท่าไหร่ยิ่งขยับเข้าไปในสถานที่นั้นเพื่อจะได้เห็นเหตุเห็นผลกันในเวลาระหว่างความกลัวกับความกล้าหรือระหว่างกิเลส ก, กับธรรมรบต่อสู้หรือต่อกรกันเวลานั้นสุดท้ายเรียกว่าได้ที่ทุกทีไม่เคยแพ้จากความกลัวอนั้นเลย กลัวมากเทลายจิตยิ่งบีบบังคับเจ้าของเข้าไปไม่ให้คิดให้แยบออกไปแม้คําว่าเสือเท่านี้ไม่ให้มีในใจในความคิดเสียงเสือไม่มีอันตรายที่เกิดจากเสือจากสัตว์ร้ายที่เราคิดอย่างเต็มใจเวลานั้นให้สงบตัวเข้าสู่ความรู้อันเดียวนี้หมดถ้าความรู้ในบริกรรมก็ให้อยู่ในคําบริกรรมติดแนบไม่ให้เคลื่อนที่เป็น2กับอันใดให้2กับคําบริกรรมนี้เท่านั้น ถ้าจิตในวงสมาธิก็ให้ติดแนบอยู่กับความสงบนี่เท่านั้นที่ได้เคยใช้มามากก็คือความสงบในเบื้องตน้นกับความสงบที่เป็นสมาธิได้ต่อสู้กับเรื่องความกลัวทั้งหลายเมื่อก้าวเข้าสู่วิปัสสนาแล้วส่วนมากมักกระจายไปหมดเรื่องเสือเรื่องสัตว์เรื่องอะไรก็ดังที่เคยเขียนไว้แล้วในปฏิปทาคือมันกระจายไปเป็นนิปัสสนาไปหมดแต่ว่า เสืว่าอะไรเป็นเสือมันก็นไล่เบี้ยกันไปตามเรื่องของสติปัญญาเสือจนกระจายลงไปหาสัตว์หาเสือหาัาที่น่ากลัวน่ากล้าที่ไหนไม่ได้ไม่มีแล้วมีแต่หลักธรรมชาติแห่งความเป็นจริงของเขาแล้วก็กลับมาเป็นความเป็นรจริงของสติปัญญาของตนนี่มันก็ผ่านทั้งมันไปได้ที่มันรู้กันดังชัดๆก็คือในเวลาจิตกําลังฟุ้งเฟ้อเหื่เหิม ห, ห, หรือกําลังคึกขนองไม่ได้หน้าได้หลังไม่ได้หลักได้เกณฑ์นี่สิ ตอนนี้สําคัญมากแล้วเข้าสู่สงครามประเภทนั้นด้วยแต่ธรรมดามันก็จะต้องยิ่งเต้นเพ่นกระโดดเป็นบ้าไปจนสุ ด, สดร้อนๆนั่นแหละเพราะความกลัวบีบบังคับมันให้เป็นบ้าได้โดยไม่ต้องสงสัยแต่แล้วไม่เป็นเช่นนั้นอํานาจของสติบีบบังคับกลัวเท่าไหรสติยิ่งแน่นหนักลงไปเอาเป็นกระตาอยู่กับสติไม่ให้นอกเหนือไปจากนี้เลยสุดท้ายเมื่อสติได้บีบบังคับไว้ไม่ให้จิตคิด ด้วยเรื่องของสมุทยัยคือคิดว่าเสือก็เป็นสมุทยัยคิดว่าเสียงเสือก็เป็นสมุทยัยคือเป็นกิเลสเป็นกิเลสคิดว่าเสือจะมากินมากัดอะไรก็แล้วแต่จะมาคำรามมาทําท่าทําทางอะไรเป็นกิริ ย, มยามายาติของเสืออันเป็นเรื่องของกิเลสที่ออกจากกิริยาของกิจคิดไปนี้ดับให้หมดไม่ให้มีเหลือเลยให้เหลือตั้งแต่คําว่าพุทโธพุทโธมีเท่านั้นนี่เป็นเป็นประเภทหนึ่ง ก็ได้เห็นความสัตวว์คามจริงจนเกิดความกล้าหาญชันชยัยตัวสั่นได้เหมือนกันมันกล้าหาญจนขนาดนั้นถึงกับว่าขณากรนั้นกลัวกลัวจนตัวสัน่นแล้วขยับเข้ามาอยู่ในวงบริกรรมกับสติติดแนบกันไม่ให้มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วเกิดความกล้าหาญขึ้นมาขณากรตัวสันวววนนวส่นด้วยความกลัวขณะหลังนี่ตัวสั่นด้วยความกล้าหาญชันชยัยเป็นความคิด จะว่าเป็นคึกขนองก็ไม่มีเจตนาแต่มันมีความรู้สึกที่เกิดขึ้นเพราะความกล้าหาญนั่นแหละว่าอยากพบเสืออยากให้เสือเดินเข้ามาหาทาั้งๆที่เวลาเรากล้าอยู่นี่เมื่อเห็นเสือแล้วจะกลัวไหมไม่มีเลยคําว่ากลัวเดินเข้ามาก็จะเดินเข้าประหาได้อย่างจังๆไม่สงสัยเลยนี่เป็นยังไงประจักษ์ไหม เวลากลัวก็ประจักรในหัวใจจนจะเป็นบ้าเป็นบอไม่ได้หน้าได้หลังเวลากล้าก็ากล้าอย่างนี้แหละถ้าเสือเดินเข้ามาก็จะเดินเข้าไปหาเสือรูปคลำหลังมันได้สบายอ๋อเพื่อนเหนยเพื่อ น, อนทุกเกิดแจกเจ็บตายมาเยี่ยมกันเหนอเราต่างคนต่างอยู่ในแหล่งแห่งกองทุกข์ที่ในเรือนจําคือวัฏ จ, จักรนี้ด้วยกันนะเพื่อนอ่าให้ทาตนรักษาตนไปให้ดีนะเดี๋ยวถูกเขาท่าเขายิง เล้วตายเสียซึ่งยังไม่ได้ทำประโยชน์อะไรเลยในกำเนิดอันนี้มันจะพูดจะจ า, จาเรื่อจะมีคําลำพึงอะไรกับสัตว์เสือไปอย่างนั้นที่จะรำพึงรือกลัวว่าเสือจะกัดนี้ไม่มีในหัวใจนี่ได้ประจักษ์แล้วในใจตัวเองซึ่งได้บำเพ็ญมาในขั้นที่สองคือจิตจนสมาธิจิตมีสมาธิเพื่อจะให้ความเด็ดของจิตนี้เด็ดเดีดเดยวเข้าไปยิ่งกว่านั้นก็ไปที่เช่นเดียวกัน เพราะเรานี่ใส่มันหยาบอยู่ธรรมดาภาวนาไม่ค่อยได้เรื่องถ้าไปหาที่ดัดสันดานอย่างนั้นมันได้ขึ้นทันทีทันใดโดยไม่คาดคิดเป็นขึ้นให้เห็นประจกักษ์ภายใน จ, ใจิตใจในเวลาจิตเป็นสมาธิอาพอเข้าไปหาดงเสือที่เสือชุมชุ ม, ชมนั่นแหละและเสือมีจริงๆด้วยชุมชุมจริงจงด้วยไปหาสถานที่นั้นจริงจริงด้วย ความกลัวมันมีทั้งวันทั้งคืนที่นี่ความระมัดระวังตัวมันก็มีกับตลอดเวลานั่นคือสติมรคขปฏิปทา <c oughs> ความกลัวเลยเป็นเรื่องเตือนสติให้มีความระวังตัวตลอดเวลาพอก้าวเข้าสู่ทางจงกลมทีนี้ความรู้กับสตินี้เป็นอันเดียวกันแน่วเลยคําว่าสัตว์ว่าเสือหายหน้าไปหมดประหนึ่งว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเหลือแต่ความรู้ล้นล้วนที่อยู่ในขั้นแห่งสมาธินี้จางเต็มภูมิ นี่ก็แน่นปึง <c oughs> ไม่มีคำว่ากลัอะไรให้เห็นอย่างนั้นท่านทั้งหลายปฏิบัติธรรมทำคำวุฒิเจ้าประกาศท้าทายอยู่ด้วยความจริงมาได้สองพันหรอปีมีแต่ความจริงทุกครั้งกับอริยสัจจังคือความจริงเหมือนกันสมุทยัยมันก็เป็นความจริงอันหนึ่งเหมือนกันมรรคก็เป็นธรรมชาติที่จะแก้สิ่งที่เป็นความจริงอันหนึ่งให้ต่างอันต่างจริงด้วยกันเช่นเดียวกันนิโรธความดับ ความกังวลวุ่นวายเพราะเรื่องสมุทัยก่อขึ้นมานั้นก็ดับไปพร้อมๆกันให้เห็นประจักษ์กับหัวใจของเรานี่จึงชื่อว่าธรรมของจริงไม่จืดจางธรรมธรรสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นไม่มีจืดมีจางมันจืดจางสำหรับหัวใจเราผู้ยีจิเรศถ้าหลงอยู่ตลอดเวลานี่แหละจึงเป็นที่น่าสังเวชสลดใจมากนักสาหรับผู้ปฏิบัติเรา แม้สมาธิคือความสงบใจก็ไม่ปรากฏเลยนี่มันพิลึกพิลึ ก, กเกินไปนะท่านทั้งหลายขอให้เอาไปชิดให้ดี <c oughs> ผมสั่งสอนท่านทั้งหล า, ายมานานแสนนานแล้วไม่ได้เอาความแปลกปลอมมาสอนดังที่สอนเดี๋ยวนี้ก็สดสดร้อนรได้เป็นมาอย่างนี้ได้ปฏิบัติมาอย่างนี้ทั้งเหตุเป็นมาอย่างไงทั้งผลปรากฏอย่างไงก็ได้นํามาสอนเพื่อเป็นคติอันดีงามแก่ท่านทั้งหล า, ายให้นําไปฝึกหัดดัดแปลงตนแม้จะไม่ได้แบบนี้ทุกฉบับตามนิสัยของคนต่างกันก็ให้ นำไปปฏิบัติให้เป็นประโยชน์อย่างนี้ด้วยวิธีการต่างๆตามนิสัยของตนก็เป็นอันวภาถูกต้องนิยามไม่ผิดพลาดไปไหนเราไม่อยากพบอยากเห็นที่พระกรรมฐานเราเสาะน้นสแสวงหานี้ซึ่งไม่ใช่อัดใช่ธรรมเรื่องก่อเรื่องสร้างเรื่องยุ่งเหยิงกับญาติกับโยมเรื่องอามิตรสินจ้างรางบันต่างๆทั้งตรงทางอ้อมเหล่านี้มันมาได้ทั้งนั้นลกูกเดชมาได้ทุกแง่ทุกมุมขอแต่เผลอตัวเท่านั้นมันจะมาทันทีขอให้ระมัดระวังให้ดี เรื่องมรรคผลนิพพานนั้นคงเส้นคงวาหนาแน่นตลอดเวลาแต่การคุวิตปฏิบัติตัวเองเราเพื่อมรรคผลนิพพานนี้หนาแน่นขนาดไหนหรือจะมีตั้งแต่แอกแยกคอนแยกคอนแคนหรือว่ามีตั้งแต่ล้มเหลวล้มเหลวไปอย่างนั้นหรือถ้าอย่างนั้นแล้วก็เข้ากันไม่ได้กับศาสนธรรมที่พุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้นั้นมันจะเหลือตั้งแต่ผ้าเหลืองเท่านั้นคลองหัวล้นๆ้นอยู่นี่เกิดประโยชน์อะไรขอให้พากันนําไปคิดให้ดี นี่ยิ่งเท่าแก่ลงไปทุกวันทุกวันความหองใหญ่เพื่อนฝูงนี่ยิ่งมีมากขึ้นแต่ก่อนก็มีเรื่องความสงสารนั้นคงเส้นคงวาแต่ที่นี้มันก็เพิ่มขึ้นอีกเพราะอํานาจใ น, นความหวงใหญ่อยากให้รู้ให้เห็นธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงไว้สสุดๆร้อนๆมีตนมีตัวสัตยธรรมนั่นแหลคือเป็นองค์สัตว์แทนสัตดาอันหนึ่งทุก สมุไทยนี่รุนมากใครผ่านเข้าไปตรงนั้นจะไม่เห็นศาสดาไม่มีขอให้ผ่านเป็นจัตจรธรรมในความจริงเถอะอยาผ่านเพียงความจําเฉยๆความจําใครเรียนก็จะเรียนได้จาได้แต่กิเลสเต็มหัวใจไม่มีความจริงอะไรในหัวใจเลยใช่ไม่ได้ความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นเป็นสาสดาโทขึ้นมาในระหว่างแห่ง สัจธรรมทั้งสีน่นี้นั้นเป็นความจริงล้วนๆปรากฏในพระไตรขอให้ปฏิบัติตนให้รู้เห็นตามนี้เถิดยังไงก็ไม่พ้นจากความว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตจะเห็นในจุดนี้นี่แหละธรรมะ ส, สุดดๆร้อ น, อ น, อนมีตนมีตัวคือองค์อริยสัตว์เป็นสักขีพยานเป็นเครื่อ ง, งยืนยันการการกองเรื่องกิเลสจะมีไหนแน่นขนาดไหนก็ตามพังหมดไม่มีอะไรเหลือด้วยอำนาจแห่งมากข้าพติบาทา อริยสัตว์นี่เป็นเครื่องการกลองจนกระทั่งอริยสัตว์นี้เป็นของจริงแต่ละส่วนแต่ละอย่างละอย่างไม่มีอะไรเป็นค่าสืบกันเลยจิตที่ได้ผ่านจากธรรมชาตินี้การกรองหรือขัดกราวเรียบร้อยแล้วก็ผ่านพ้นไปเป็นจิตที่บริสุทธิ์นั่นไม่ใช่อริยสัตว์คือธรรมชาติที่บริสุทธิ์พระพุทธเจ้าเลิศเลอก็เลิศเลอเพราะพุทธะอันนั้น จากอริยสัต์ที่เป็นโรงงานอันใหญ่โตนี้เป็นเครื่องกั้นรองพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์และสาวกทุกๆองค์พ้นจากทุกพ้นจากโลกเป็นศา ส, สระสาเอกของโลกเอกขึ้นมาจากนี้ไม่เอกขึ้นมาจากไหนศั ส, สนาพุทธจึงเป็นเครื่องยืนยันได้ในอริยสัตว์พระพุพทธเจ้ากี่พระองค์ไม่สงสัยเพราะอริยสัตว์นี้ถ้าใครผ่านเข้าไปตรงนี้อริสัตเป็น ยินรับสติปัญญาแล้วยังไงก็ผ่านพ้นไปได้ไม่สงสัยพระพุทธเจ้าทุกๆองค์ก็ผ่านขึ้นจากนี้ท่านสาวกของพระเจ้าทุกๆองค์ก็ผ่านขึ้นจากนี้เราผ่านแบกแนวไปไหนมันถึงไม่รู้ไม่เห็นในธรรมทั้งหลายที่เป็นความจริงสี่อย่างหรือสี่ประการนี้มันจึงโลเลโลกเล็กหาเรื่องหาลาใส่ตัวของตลอดไปซึ่งเป็นเรื่องของสมุทยัยแต่มันไม่เป็นอเดียสัตย์ให้เรื่องสมุทยัยเครื่องหนุนทุก เรื่องผิดทุกขึ้นมาเผาเรื่อยเผาเลื่อยมันไม่เป็นของจริงให้หสิแต่เป็นของจริงกับพิจานาะสมุทัยลงจนกระทั่งถึงเป็นความจริงด้วยอ ำ, อำนาจแห่งมาริย์ซึ่งเป็นของจริงด้วยกันแล้วนั่นจริงเรียกว่าทุกสมุทัยนี่โดดมากเป็นของจริงเป็นของจริงอย่างนั้นมีอยากให้หมู่เพื่อนได้รู้ได้เห็นได้ทำทั้งหลายสดสดร้อนๆพระพุทธเจ้าปริพานธ์ไปกี่ปีกี่เดือนก็ตามอันนั้นเป็นการเป็นเวล่ำเวลาต่างอากักไม่ใช่อาเรยสัต ที่การกรองจัดตั้งหลายให้หลุดพ้นจากถุกอยู่ตรงนี้ต่างหากให้ปฏิบัติตนให้ถึงในจุดนี้เถิด <c oughs> แล้วเวลานี้ยิ่งจัตนาก็ายิ่งเราไม่อยากว่าเลียวว่าแหลมถ้าว่าเลวลงไปเลวลงไปนั่นมันจะเหมาะสมกว่าเลวที่ไหนเราจะไปดูคนอื่นคนใดเป็นการตําหนิติเตียนยกโทษยกกรณกันดูถูกเหยี่ยวดามกันไม่ถูกให้ดูตัวของเราใจของเรามาประพฤติปฏิบัติตัวที่แรกเป็นยังไง มัน <c oughs> เลื่อนท่านเลื่อนภูมมขึ้นไปในทางที่ถูกที่ดีอย่างไรหรือไม่หรือไม่ยิ่งจะเลื่อนลงโดยลำดับลำดาแล้วกลายเป็นความล้มเหลวไปนั่นเป็นของดีเป็นของถูกต้องล้วเหลือนี่ราศาสนาเร็วๆอย่างนี้เดียวแหลมไปอย่างนี้เร็วไปอย่างนี้เหลวไปอย่างนี้แหะมันเหลวที่หัวใจผู้ปฏิบัติ <c oughs> ไม่ได้เหลวที่ไหนถ้าไม่ตั้งหน้ า, ต, าตั้งตาปฏิบัตินี่ จ, จะเรียกเจ้าปสลุงหมดนะ กิเลสไม่เลือกหน้าว่าเป็นภาพเป็นเนนว่าหัวโลน้นโกนคิว้วผ้าเหลืองใครโกนก็ได้ใครเอามาคลองก็ได้ผ้าเหลืองกิเลสกลัวตั้งแต่ข้อปฏิบัติเท่านั้นเองให้ฝืนความอยากเป็นเรื่องของกิเลสเราอยากจะพูดว่าทั้งมวลในเมื่อจิตยังไม่ได้หลักได้เกณฑ์ในธรรมตั้งหลายแล้วเราอยากจะว่าทั้งมวลเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นเปิดทางให้ตัดโลกทั้งหลายวิ่งลงวิ่งลงวิ่งลงวิ่ ง, ง, ง, ง, งลงไหลลงไปจนรื่นไปเลยทีเดียวความอยากอันนี้นะ อยากเห็นอยากดูอยากได้ยินได้ฟังอยากคิดอยากอารอยากปรุงอยากแต่งแล้วเสียดายเรื่องนั่นเสียดายเรื่องนี้ยุ่งไปหมดมีแต่เรื่องของกิเลสทํางานบนหัวใจธรรมะทําไม่ได้เลยไม่มีทางที่จะทำํำเราเอามรรคผลนี้ผานมาจากที่ไหนไม่มีทางที่จะได้นะทํามีตั้งแต่เรื่องของกิเลสใส่ลงไปลงเหวลงบ่อตลอดเวลาด้วยความอยากรู้อยากเห็นอยากได้ยินได้ฟังในสิ่งที่เป็นกิเลส พ่อภูมิกิเลสขึ้นมาเต็มหัวใจอย่างนี้ไม่มีเรื่องการขัดการขืนการฝืนกันบ้างเลยแล้วไม่มีทำเดินจงกรมอยู่จิตก็ไปห้าอัตวิบมีแต่กิเลสเอาไปถลุงทั้งนั้นนั่งภาวนาก็ไม่ได้เรื่องใดลาวเพราะสติสตังไม่มีพอจะตั้งสติแยกก็ถือว่าเป็นความลําบากกิเลสเอาไปกินอีกแล้วนั่นจะฝืนจิตใจก็ถือเป็นความลําบากอะไรมีแต่ความลําบากลำบากกิเลสปักเสียบ ฝั่งน้ําไม่เต็มรอบเลยก้าวไปตรงไหนเหยียบถึงแต่ฝัง่งน้ําของกิเลสเลยล้มละนาไปหมดไม่มีใครก้าเดินเหยียบหัวน้ําไปนั้นผ่านหัวกิเลสไปได้เลยก็เพราะไม่ฝืนต้องฝืนนักปฏิบัติถ้านักปฏิบัติที่อยู่ในป่าในเขาลํนานอภัยเพื่อการบําเพ็ญนี้เป็นผู้ทรงมรกคทรงผลมาแล้วที่อื่นไม่ต้องถาม ส, im, me, hmm. yeah. mm. สถานที่นี่เป็นสถานที่เหมาะสมอย่างยิ่งแล้วองค์ศาสดาก็อุบัติขึ้นมาจากสถานที่เชนนี้สาวกทั้งหลายอุบัติขึ้นมาจากสถานที่เชนนี้ทั้งนั้นทั้งนั้นไม่ได้เข้าไปสําเร็จมรรคผลนิพพานอยู่ในตลาดลานเลยที่ตรงไหนท่านจึงไม่สอนให้เข้าไปอยู่ในที่เชนนั้นมากยิ่งกว่าการสอนให้อยู่ในป่าในเขาก็นี่พวกเราอยู่ยังไงเวลานี้มันถึงไม่ได้ปรากฏในเรื่องมรรคผลปรากฏตั้งแต่ความโลภก็มากขึ้นทุกวันความโกรธมากขึ้นทุกวันราคะตัณหามากขึ้นทุกวัน ความรุ่มหลงมากขึ้นทุกวันทุกวันจนลืมเนื้อลืมตัวไปหมดจะเรียกว่าอะไรหลงลุ่มหลง ม, มากกว่านี้เขาก็ว่าบ้าเท่านั้นเวลานี้มันไม่ถึงขั้นบ้ามันมันมีแต่ความลุ่มหลงรุ่มหลง ม, ม, มันยังไม่เต็มภูมิของมันหรือเราจะสร้างแต่ความลุ่มหลงให้เต็มภูมของเราจนกลายเป็นยอดบ้าเหรือมันถึงจะดีท่านทั้งหลายนั่งไป พ, พิจารณาทำมาวิเจ้านี้เป็นธรรมชาติที่เลิศเลอที่สุดแล้วกับกิเลสมันเข้ากันได้ยังไง แต่เราก็ชอบเป็นไปเรื่องจิเลสซึ่งเป็นของเลวที่สุดธรรมะที่ว่าเป็นของเลิศของประเสริฐที่สุดมันไม่เป็นสนใจเกี่ยวข้องมันเป็นเพราะอะไรสร้างควมเถอะมาจะอยู่ของมันแล้วต้องตั้งใจบัพติตปฏิบัตินี่เพื่อนฝูงก็มาหาบันนี่ยังให้นําไปบัพติปฏิบัติเอาให้แนว่วให้แน่ใ ห, แใ ห, ให้แม่นยาภารกิจใจเรื่องความภาคความเพียรเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาให้ถือเป็นหน้าที่การงาน บนหัวใจเราตลอดชีวิตจิตใจมอบไว้กับความภาคความเพียรที่จะฆ่ากิเลสนี้จึงเป็นความถูกต้องเหมาะสมกับทางของศาสนาที่ทรงสั่งสอนไว้ความพ้นทุกข์ก็ไปในทางแถวเดียวกันนี้ถ้านอกจากนี้แล้วจะไม่มีอะไรเหลือติดตัวเลยเขาเหมือนเราเราเหมือนเขาท่านเหมือนเราเราเหมือนท่านเลยไม่มีอะไรดีกว่าใครโลเลโลกเล่ทั้งทั้งที่ศาสนาเป็นของจริงเวลามาปฏิบัติแล้วหาความจริงไม่ได้ใครก็เป็นแบบเดียวกันแบบเดียวกันเลยเป็นศาสนา คว้าน้ำเหลวไปซะแล้วอันนี้ที่หน้ามีจฉุกจิจารณ์มากเวลานี้ผม <c oughs> ขอให้ทุกท่านฟื้นจิตฝื้นใจกับตัวให้ดีในการประพุทธปฏิบัติมันจะเป็นก็ให้เป็นตายก็ให้ตายฝากไว้กับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ชีวิตจิตใจนี้บูชาพระพุทธเจ้าด้วยการฝืนต่อสู้กับจิเด็กอย่าถอยหลังอันเรื่องจิตจิตเด็กอับสั่งหงนี่มันพอแล้วแห ล, ละการเกิดแก็เจ็บตายนี่ไม่สงสยัยแม้ตัวที่อื่นก็ตามนี่ไม่สงสยัยเอาปัจจุบันนี้สะท้อนย้อนไป ในอดีตเท่าไรก็ได้นอนาคตรักเท่าไหรกม็มีสิ้นสุดถ้าว่ากิเลสปัญหาวิชานี้ไม่สิ้นสุดดวงจิตใจจา ก, กจิตใจนี้แล้วยังไงก็ต้องเป็นอย่างนี้ตลอดไปตลอดมาไม่มีเงื่อนต้นเงื่อนปลายถ้าเราได้ปักความเพียรลงไปตรงนี้แล้วชื่อว่ายนาตตะเข้ามาเรื่อยๆฆ่ากิเลสไปเรื่อยๆจนกระทั่งมีความสามารถแสี่ยงกล้าฟาดมันแหลกหมดไม่มีอะไรเหลือเลยอยู่ไหนก็แสนสบายทั้งนั้นแหละทีนี้หมด เรื่องพบเรื่องชัดที่เคยเป็นมากี่กับอีกกันได้ขาดจะบั้นลงไปแล้วหมดปัญหากันแล้วข้างหน้าก็ไม่มีอะไรเป็นเงื่อนต่อประจักษ์ในปัจจุบันสันทิฏฐิโกประกาศกลางวานขึ้นในเวลาสุดท้ายบริสุทพุทโธนี่จึงเรียกว่าเลิศนั่นให้มันเห็นนะขั้นสิผู้ที่เจ้าว่าเลิศว่าเลิศเราไปเสกสันปตญยต่งตงตงางๆทั้งๆ ท, ที่เรามันเลวให้มันเห็นความเลิศมันจะของเป็นลําดับลาดามาตั้งแต่ขั้นสมาธิปัญญา ถึงมีมูดุูดพ้เลิศนะ่าจะของแล้วมันกราบเองกราบพระพุทธเจ้าจะว่าเลิศหรไม่เลิศใครจะชมไม่ชมก็ตามว้ายมันเลิศในภายในจิตใจของเรานี่พอพอเท่านั้นแหละอเหนื่อยแล้วการแสดงทำก็เห็นว่าหยุดสมควรเปลี่ยนตอนนี้เหนื่อยเทอมากกว่านี้ไมาได้ลแล้วอยอยู่ไหนจะเป็นโลเลโลเลกันหน้ามันจะเป็นบ้ากันหมดแล้วเดี๋ยวเนี้ยเรื่องการก่อการสร้างเนี่ยมันหนักมากนะ มันไม่มีในธรรมของพระพุทธเจ้าจใจผมว่าไงผมทอดตัมพี์มาสอนพวกท่านทั้งหลายทุกคนทุกคนก็ไม่รู้อยู่หรื อ, ห ร, อหรือว่าพูดเล่นหรือเวลานี่มันเมื่อเรื่องอุตริทำขึ้นทางนั้นน่ะนั้นสร้างห็นี่สร้างนี่สร้างนี่สร้างโตสร้างมันอะไรอัศจรรย์ทีต่ตะกิเลสมันหัวเราะเท่านั้นน่ะอย่าอวดกันอวดกิเหลสนี่พระเจ้าสอนว่ายังไงเห็นไหมเทศอยู่ตลอดเวลามานหรือใครก็ได้อ่านได้ดูจื ธรรมะจะไม่ได้อ่านคัมภีร์มีอยู่นี่ย่าชมเชยที่ตรงไหนไม่เห็นมีชมเชยพิสูจน์ทั้งหลายพิสูจนทั้งหลายเมตั้งแต่เรื่องนี้ทั้งนั้นนะ่ะเรื่องจิตตภาวนาสถานที่นั่นที่นี่เป็นยังไงเป็นยังไงจี้เขาจีบเขาจิบทั้งนั้นนะ่ะไม่ได้มาโลเลโลเ ล, ล, เลกับแบบโลกสองสานเขาอย่างนี้นะเดี๋ยวนี้พาเรามันเป็นยังั้นนะ่ะเราถึงเอื้อมระอาเขาก็เอื้อมละอาพวกเราเอนดูกันผููดดิ ดีกว่ากันบ้างดูกันมันก็จะดูไม่ได้เลยรังเกียจกันไปแล้วนะมันโลเลโลกเลศเหมือนนี้ไม่ได้หน่ารางอะไรแล้วเนี่ยเวลานี่การสุดทรมานตนก็ดูทังเกล็ดติดนั้นสําคัญมากอะเรื่องค่าจุดเดือนผมพูดจริงๆมันไม่เลีมันสดร้อนร้อนมันหนักจริงๆนึกว่าจะเป็นจะตาจะไม่มีเหลือซากม้าให้หมู่เพื่อนเห็นเลยนั่น แต่มันก็น่าชมมาหนึ่งที่จิตคือจิตไม่เด็ดมันก็เป็นอย่างนั้นมาได้นะมันเด็ดจริงๆนั่นเอนะเป็นกับตายไม่เห็นมีความหมายอะไเลยนู่นนะฟังสิเวลามันเด็ดของมันเพราะงั้นมันเป็นซัดได้ทุกอย่างเลยนะเอาว่างั้นขาดสะบั้นไปเลยมันไม่มีความหมายเรื่องตายโลกเขาตายกันทั้งนั้นเน่ยทําไมเราจะอยู่ข้างฟ้าะนี่เข้าต่อสู้กับกิเลสนี่เราทําไมกลัวตายทั้งๆที่โลกเขาก็ตายเราก็จะตายนั่นมันเอากันขนาดนั้นน่ะ ผ่านไปได้แต่ละปลอละ ป, ล อ, ละปลอนี่โถมันจะเล่นๆนะนจะวเวียนตายเกิดตายเกิดนี่มันประจักษ์จริงๆนะไมะใส่พูดเล่นๆนะแต่ไม่ทราบจะพูดให้อะไรให้ใครฟังได้หระอทำให้เป็นขึ้นจนาจของพูดให้ได้ฟังได้แต่เพราะแง่ที่ควรพูดทางพุทธเจ้าว่าวิชาปรรยาสังฆารานั้นเจอวิชาเข้าไปจริงๆดูซินะ เรื่องวัตจักรวัตจิตที่มันหมุนวนเวียนทั้งมันน่ะมันเท่าถึงจุดทั้งมันจริงมันทำไมจะไม่รู้คนมันตัวมันเป็นเองนี่วะเมื่อเข้าถึงกันแล้วมันทำไมจะไม่รู้นั่นนี้เราไม่เข้าถึงมันทีมีแต่มันพาเป็นพาไปพาลากพาถูมันจึงไม่รู้เกินมืกมากี่กับกี่กันมันก็ไม่รู้ว่าตัวเกิดตัวตายทุกยากลำบากมาขนาดไหนมันก็ไม่รู้เมื่อเข้าไปถึงตัวมันแล้วมันทําไมจะไม่รู้ตัวมันเองเป็นผู้เป็นนั่นเอาตรงนั่นสิมันจะเป็นไปข้างหน้ากับตัวนี้ เป็นมาแล้วก็ตัวนี้มันเป็นเพราะาเหตุอะไรมันก็อยู่ในนั่นมันเห็นมาจากอยู่านั้นอาจจะสงสัยอะไรพัสด า, า, าองค์เดียวประกาศรั่นโลกเห็นไหมพระงไปหาใครมาเป็นสักดีพยานี่ประกาศทำสอนโลกนั่นหลวงพอท่านิีิโกประกาศปัง้งรู้เองเห็นเองไม่ต้องไปหาใครมาเพิ่มเติมส่งเสริมเี่ย ป่าเขาลำนาพรายก็หมดไปหมดไปศาสนาก็เป็นอย่างนี้แหละดูเอาทุกท่านหมดความหมายไปหมดความหมายไปเพราะอําอนาจของเดิตมันพับมันถมมันโอ้โหอะไรที่เป็นของไม่ดีนี่มันยกยอปอปั้นขึ้นมาเป็นของดีของดีโอ้โหจิตใจที่ต่ําขนาดนี้เทียวเหลือเทียวเหลื อ, ลอมันมันสลดสังเวชนะมันถึงได้เขา้ามาเทียวเหลือเทียวเหลือให้อุทานในใจสลดสังเวชในใจ ของที่ตาำช้าเหลือสามเท่าไรยิงขุดยิงคุ้ย ข, ขึ้นมาเหมือนพวกมูดพวกคูดลากขึ้นมาให้ประดับเอาทองแท่งๆมาประดับตกแต่งมันมูดคู่นั่นมาป้อมาปั้นมันเปนของหยิบของนีขอ ง, ข, อง ข, องของวิเศษวิโสวิเศษวิโสอะไรก็ขี้นั่นก็รู้ว่าขี้แล้วใครก็รู้นะอันนี้ก็เป็นยังไงใครจะไม่รู้สิ่งที่โลกมันเป็นบ้ากันอยู่เวลานี่ย เราก็เป็นโลคคนหนึ่งแล้วก็เป็นบ้านกับเราอีกคนหนึ่งเนี่ยแล้วไปตาํางมีใครทําไม่ดูให้นจนหัวใจของมันชัดเจนไปแล้วมันจะได้เห็นหมดทุกอย่างที่พระเจ้าทรงแสดงไว้ตรงไหนผิดตรงไหนใหในข้านพระเจ้ามันไม่เห็นมีเรื่องกับเจเด่นนี้ขั้นทุกระยะอะไรแยกออกมาเป็นเรื่องค้านกันเพราะมันปลอมเรื่องของเจเด่นี้มันปลอมต้องในค้านกันทุกระยะระยะทุกขณะขณะที่มันแสดงออกมาแล้วเรื่องของธรรม้าที่ข้านไม่ได้นะ เพรจริงทุกอย่างจริงทุกอย่างขนาดนั้นมันยังไม่ยอมเชื่ออํานาจของกิเลสมันรุนแรงขนาดนั้นเน่ะไม่ใช่เราไม่ยอมเชื่อนะกกิเลนั่นพาให้ไม่เชื่อเราอยู่ตามอำนาจของเขาก็ต้องเป็นไปตามเขา อ, อยากเชื่อแต่มันเชื่อไม่ได้เพราะอํานาจของกิเลสมันรุนแรงมากกว่าเหมือนริบรับเล ย, เลยมีศาสนาลงริบรับริบรับโอ้รมรลสม ของมหาส ม, มุทรมหานิยมมันท่วมมันท้นจนมองไม่เห็นคนคนหนึ่งมองไม่เห็นตัวเลยจะว่าไงยิตดวงหนึ่งมองไม่เห็นตัวจิตเลยนี่แต่อันเดียวนี้เท่านั้นเท่านั้นทั้งนั้นทั้งนั้นธรรมะเข้าไปผ่านไม่ได้เลยถูกปัดตกห้าทวีปธรรมะผ่านเข้าไปนี่ตกห้าทวีห้าทวีดอานาจของกิเลสมนันรุนแรงขนาดนั้นเวลานี้กําลังเพียงสองพันห้าร้อกว่าปีตอนนี้ก็พอแล้ว ดูแล้วมันน่าดูนะถ้าจะว่าแบบโลกว่าน่าดูอมันไม่ปิดบังนี้ลับมันเปิดมันเผยให้เห็นตามหลักความจริงของมันท่านนี้ก็เปิดรับกันดูที่น่ะเอมันจะไปไหนว่างั้นเลยของจริงของมีอยู่มันจะลี้ลับไปไหนว่างั้นเลยเมื่อมันได้เปิดให้เห็นแล้วมันเปิดหมดัรงนั้น่ะเวลามันปิดยังไงมันก็ไม่เห็นนั่นปิดตรงพวกเราเวลานี้มันกาลังถูกปิดทํายังไงมันก็ไม่เห็นทํายังไงก็ไม่เห็นทําให้ขยันเท่าไรมันก็ยิ่งเกียดข้างกันไปอ ทำให้ฉลาดเท่าไรมันยิ่งโง่เนี่ยอำนาจของกิเลสมันรุนแรงรุนแรงทุกด้านถ้าขึ้นที่ว่าของเรื่องของกิเลสแล้วมันเปิดตรงนู้นมันถึงได้เห็นโทษกันเมื่อเห็นโทษกันแล้วสุดเวียงอ่ะที่นี่เป็นก็เป็นตายกะตายถอยไม่ได้หวังันเลยเมื่อเมื่อถึงขั้นขั้นทำมีกําลังไปอย่างนั้นนะเท่นเดียวกับกิเลสมีกําลังแล้วไม่ไรไม่มีอะไรผิดกันเวลากิเลสมีกําลังนี่ธรรมะผ่านเข้าไปไม่ได้ปัดตกห้าทวีม อันนี้เวลาทำมีกําลังสติปัญญามีกําลังทุกด้านทุกท่าทุกทางแหลมคมพอแล้วนี้อังกิเลผ่านเข้ามาว่างั้นเลยตกห้าถือเหมือนกันผ่านเขมาห้าถือเหมือนกันทีนี้ทําทํางานนั้นนี่สติธรรมปัญญาธรรมเป็นสําคัญทํางานบนหัวใจแทนกิเลสวัตตวนวัตถจิตก่อนเดี๋ยวนี้นี่เป็นวิวัตวิวัตจักกําลังหมุนย้อนกลับย้อนกลับย้อนกลับกิเลสผ่านมาได้ยังไง ตกท้าเทวีเหมือนกันเมื่อถึงขั้นแล้วเป็นไม่ถอยเหมือนกันกับที่กับที่เดชมันไม่ถอยทีเดชไม่มีคําว่าอ่อนตัวเราจะแก่ค่าขาดช ร, ร, าราขนาดไหนที่เดชไม่มีคําว่าอ่อนตัวอมีกําลังวังชาตลอดตลอดตลอดตลอ ด, ลอดอที่เดชมันจึงไม่ตายด้วยหลักธรรมชาติไม่ตายด้วยความแก่เท่าชราเหมือนสิ่งทั้งหลายแก่เท่าชราตายที่เดชไม่มีตายถ้าไม่ ม, มีทําเข้าไปสังหารมันตอนนั้นมันไม่ตาย เพรานจริงต้องมีทำเมื่อทำก็ไปสังหารได้ทำได้ที่แล้วก็เอาละที่นี่นะวิอดียร์ววมันพังลงพังลงพังลงทำมันก็ยิ่งหมุนติวต้วติว้วติ้วบนหัวใจนะั่นแหะแทน ว, วิเดียร์แต่ก่อนวิเดียร์อยู่บนหัวใจธรรมะเข้าไปเกี่ยวข้องมาได้พังเลยอยีนี้เมื่อทำเขาได้ที่แล้วพังยังก็เหมือนกันอีกแยบภาพขาดสะบั้นแล้วภาพขาดสะบั้นแล้วแล้วมันมีแต่เรื่องขาดสะบัน้นขาดสะบัน้นไม่มีเวลาที่จะมันจะก่อตัวขึ้นมา เป็นลูกเป็นหลานกันเป็นพ่อเป็นแม่กันได้เหมือนแต่ก่อนแล้วมันจะเอาอะไรมาเหลือมันก็ต้องพังนั่นนี่เรียกว่าอัตโนมัติเป็นหลักธรรมชาติเหมือนกันกับชีวิตมันหมุนจิตของสัตว์โลกให้เป็นตามหลักธรรมชาติทั้งมันฉันใดวิวัตจิตวิวัตจักรมันก็หมุนหลักธรรมชาติเหมือนกันจนกระทั่งให้อยู่ในหลักธรรมชาติดั้งเดิมคืออะไรความบริสุทธิ์พุโทโธลงถึงจุดเต็มที่แล้วอยู่ ทำกับใจเป็นอันเดียวกันใจกับทําเป็นอันเดียวกันเราจะพูดอะไรพูดไม่ได้ที่นี่นะหากไม่สงสัยพราะไม่ใช่พิสัยที่จะนํามาพูดให้โลกเข้าใจได้เห็นได้รู้ได้ยินได้ฟังได้คาดเราถูกต้องตามนั้นนอกจากมันเป็นแท้เองแล้วไม่ต้องคาดมันก็รู้เอง <S <S 1> <S 1> เนี่ยที่ว่าความรู้ของพู้ดีเจ้า ของภาษาพวกทั้งหลายไม่ได้เหมือนความรู้งพวกเราหนาเพราะธรรมชาติที่เป็นเจ้าของความรู้ทั้งหลายนั่นเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ความบริสุทธิ์นั้นเหมือนใครเหมือนอะไรเมื่อไหร่ไม่เหมือนนะอากาศกียาที่ที่แสดงมาจากนั้นจริงไม่ได้เหมือนอะไรเพราะออกมาจากความบริสุทธิ์จึงไม่เหมือนอะไรไม่เหมือนอะไรใช้สายนั่งนีต่ตรงนี้สายเราเพ่อเป็นการเสริมบ้านเขาสร้างไงนะ อยู่หน้าจะเรื่องตอกเรื่องสร้างขึ้นไม่ง่ายอย่างเรื่องกังวลวุนวายเรื่องค่าเกียรอะไรอย่างเั้ยเรื่องที่ค่าคนเขาจะสมาชิกที่แท้เขาลเถอะสำหรับพระแล้วตัวนี้ใช้ถี่เนี่ยนี่ว่ามักจะอยากฆ่ามากจะเอียดรว่าเป็นสมาชิกถี่แล้วทำงานชอบไม่เลยก็หกพกรองไทเลยทำทำทางเ้า ชอบงานแต่หัวใจมันไม่ชอบสิหัวใจมันยุ่งอย่างวาุ่นวายนั่งมันเอาเวเวลาแก้แกหัวใจนะอมว่างานสมุทัยว่างเราเราว่างั้นแล้เขามเห็นประจังเวลาปฏิบัติสิเวลาปฏิวัตงานเรานี้ยุ่งมาได้ยุ่งเมื่ไรเป็เกิดยุ่งมาวุ่นเมื่อไรเป็นเกิดยุ่งร่างการ ก, กันทีนั่นจะไปสมุสมทัยจ ะ, ปะ ไ, ไปไไปอือมันเห็นงั้นที่ผู้ปฏิบตัติเอาปฏิบัติยันกันสินี่เคยอย่างนั้นอย่า พอนผมยังไม่ยุ่งกับมันเลยงานอะไรมายุ่งผมไม่ได้ทั้จแตวันออกปฏิบัติมาเลยไม่ยุ่งจิงไม่ยุ่งจริงจริไม่อันเดียวาวาดตลอดเวลาเพราว่ามันหนักมากเลยเวลาเรื่องการเนี่ยคือมันจต็มที่ อ, อ, อย่างนี้ก้าวปีที่วางกั้อะไรมายุ่งไม่ได้จริงเพราจะฆ่ามันจรงจริจะมาให้มันเหลือนะลอยนะาหัวใจเลยเนะี่ย เขามุ่งมั่นมันถึงขานาด น, นั้นเราจะอะไรมายุ่งมันเสียเวลามันยากไปได้อยูอไงก็ยังนั่งคนเย่อคนเย่อคนเย่อเอาใครไปด้วยแล้วผมมีสายผมยังไหวอย่างมันก็เหมือนน้ำไหลบ่าเข้าไปด้วยใครไปด้วยขอความรับผิดชอบตามสัญญาสัญญามันก็มีทุกคน่อยไปแล้วเลยกันยังไงเวลาไปผมก็ต้อง มีความรับผิดชองกันอยู่ลึกๆทางไกลๆนี่เป็นสัญาาเนี่ยแต่สัตอายุกันเขายังมีรับผิดชอบกันมันก็เป็นน้าไ่าสิไปคเดียวนเหืนเดินินทั้งวันมันเป็นความเพียนทั้งวันนั่นงจะคิด่แต่ของวันนี้ขาดความเพียนพรเดินทางนี่ไม่มีมันเป็นความเพียนตลอเลยเดินจากที่นี่ไปถึงที่นมันก็เป็นความเพียนตลอดเลยังกงซ คนเดียวไม่คุยกับใครเ่งนี่มันเหมาะเจาะดีนะความใจของเราจะก้าปีนี่ผมมายุ่งกับใครจริงนะนี่เอาอย่างกันอย่างหนักอย่างไม่มองฟ้ามองเมฆมองเมฆมองหมอกอะไรอย่างเงี้ยตาเม้จะไม่ให้มันมองในสิ่งที่เป็นภัยมัินสกัดรัดกั้นมันบังคับกันอย่างรุนแรงเงินอยากดูไม่ให้มันดูบังเข้าไว้ ดูจะดูอะไรมันก็ดูมันที่มันเคยเป็นกัศตร์ตัวกัศตร์ใหญ่ๆนี่หละเือมันก้าหาขนาดไหนวะอมื่อมของจ๋ใหญ่เดี๋ยวลองทานันคิดหายปุ๊บป๊บผมเพื่อะเนร่างยิ่งเอากองทุกี่มันล้ำพูในของนะย้ำพูนตัวขนาดนะมันใช้ล้ำพูนเยอะดยพูนตัวขนาด โอ้โหงานกลางเราไม่ได้ทำงานเหมือนลูกของกลางเราแต่งานพันใุ์ใจของเราไม่ได้ลาปล่อยวางเลยน่มันหนักจริงจริงนี่นเขาอยู่ในป่าในเขามันมันช่วนะเด๋ยว ม, มีส้สภาพมันชัว่วเยอะๆนะเยวนี้ไม่ค่อยกวนมันก็ยิงส น, นุกกวัาน้งเต็ในหัวใจเราคนเดียว ไม่มีสิ่งเหล่านี้ไปเกี่ยวควน ม, มันก็เกี่ยวควนตัวเองของมันอยู่นั่นแหละอยู่ในนั่นแหะถ้ามันยังไม่สงบอันนี้นะมันจะเป็นยังไงป่าในเขาร่างสงบแล้วนี่อยู่สบายใช่ิตเป็นสมาธินะสบายว่ะอยู่นยในป่าในเขาก็สบายคือไม่ยุ่งกับเรื่องเหล่านี้แหละมัใช่อะไรนะ เขาว่าสบาก็คือเรื่องเรานี่แหละเรื่องอันว่านี่สภาพนี้มันยังมีนิสัยนี่พอาจิตนี่สงบมันก็อิ่มตัวของมันไม่ยุ่งรู้เสียงกินรู้เรื่องทำผ่านอะไรเพินอยู่กับความสง บ, บนี่อยู่สบายตอนนี้ก็ทําให้เพลินได้นะเพราะมันถึงติดสมาธิคนเราคือมันสบายไม่ยุ่งกับอะไรแต่มันก็ไม่ได้อะไรมากกว่านั้นนะ นู่นเวก้าวทางด้านปัญญามันดึงคืบเพราะมันออกออกเหมือนก็เปิดเหมือนออกมาดูมองดูเมฆดูหมอกอออนั่นเป็นอย่างนั้นอันนี้เป็นอย่างนี้อย่างนั้นพอปัญญามันออกนะนี่เปิดออกเปิดออกเปิดออกพอเปิดออกมันเห็นนี่พอเมื่อมันเห็นมันรู้เลยมันก็ทําให้ดูดื่มออกทางด้านปัญญาออกวัสดุตจังถึงมันพุ่งพุ่ง ทีนี้ไม่จ้องระวังข้ับแล้วตื่ปัญญาเมื่อเห็นผลแล้วนะมันจะร่างเอาไว้เท่านั้นมันเลยเกิดในร่างลืมหลับลืมนอนลืมทุกอย่างโดยยังกลมยังฟาดจนถึงสังหารแล้วจนถึงปัดขวาดไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยแล้วไม่สนใจเลยมันเดินทั้งวันได้สบายขนาดนั้นด้วยจนฝ่าเช้านี้ออกรลอนนะฝ่าเช้าผมจะออกรลอนพูดวุ้ยวุฝ่าเช้าจะไม่เคยแกบนะ แต่นี่จะดูบาตทียมาดูฝ่าชา้าแฝดดูไงดูก็มเห็นแฝดนือว่าพระสงฆ์ น, น่าจงเด็นยุงคงาานิสัยท้าแฝดแต่ก่อนสมก็ไม่ได้เงินพอที่จะมาพิจารณแต่ไม่ใช่เป็นการอัดเอื้อมนะเพื่อเอาเหตุผลมาเทือมเพียงเป็นยุงคงธรรมดานี่จะขนาด ถ, ถึงฝ่าชท้าแฝดด้วยการมาเข้าบัญชาโดยนี้มัในจึงไปไม่ได้เน่ ถ้านี้เป็นไปได้เลยไม่สงสัยเนี่ยเพราะมันเพลินมันลืมเนื้อลืมตัวลืมเวลาเนี่ยมันฟัดต่อที่เดิมตลอดเวลาหรืเดินอยู่ก็่หยุดเป็นได้วางอันเลยได้มันมีเครื่องยันกันอย่งนั้นด้วพวกน้าพวกอะไรนี่มันไม่สนใจนะเหมือนไม่มีอะไรหรไม่กินอะไรทั้งนั้นเลยลืมไปหมดทุกอย่างเวลามาเข้าแค่คือพักโถมองเห็นน้ํายี่ โดยเฉพาผึ่งผึ่งมันจะตายไงคืนน้ํานี่คืนไม่ทันใจนั่นจนสําลักกอกกอกกอกเน่ยมันจะตายจริงมันหี้นะ้ำเวลามาเห็นน้ามันถึงคิดใส่น้าปุ๊บเลยใส่กันเลยขนาดนั้นนะไมล้เร่งก็ไม่เห็นมีอะไรมันก็มีแต่เดียวนี่ฟัดกันอย่างนี้ผู้ที่เรื่องปัญญาเก่าแล้วนี่ยมันนี่จะเพลินถ้าเดียวเจ้าเรี้ยงชื่อว่าอุชจ่ามันก็ไม่เข้าใจเวลา ผ่านก็ไปนั่งก็รู้เองสองด้วยางบนอุทักษะอุทักษะแต่คือมันเทินเกินตัวมันฟุ้งฟุ้งฟุ้งฟุ้งเพลินเกินตัวมันไม่เข้าพักผ่อนในสมาธิมีแต่จะเอาให้รู้ให้เห็นรู้เห็นอย่างเดียวจนจะท้องจะตายก็ยังไม่รู้เรื่องรู้หลานแตอุทักษะไม่พอดีอันหนึ่งเวลามันผ่านไปแล้วมันรู้เองอ๋อตรงนั้นเป็นนั้นตรงนี้เป็นนี้เวลามัจะตายจริงมันเข้ามาพักทักสมาธิ แต่ไม่เอาจริงๆมันไม่เข้าออนะมันเพิินกับงานนั่นใครก็ควรจะเรียนหัวใจนะไม่ไเพลินดังนอกระนะงานนี้งานเรียนหัวใจทั้งนั้นเนี่ยไมไ่ออกนอกนี่เลยงานปัญญาขั้นนี้ไม่มีออกนอกเพอาะนอกมันปล่อยหมดแล้วนี่เอาอะไรมายุ่งวะมีจฉพ้อมเวทนาสัญญาสังขารม ญ, ญานเนี่ยมันซวดกันอยู่เนี่ยเรื่องลูกมันกำหมดปัญหาไปตั้งแต่การมังกิเหล็ก เห็นอย่างนั้นสิการปฏิบัติใครไม่บอกก็ตามมันรู้ของมันอย่างไรเ่ราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าประทับอยู่ข้างหน้าน <ort> ี่มันก็ไม่ทูลถามท่านทูลถามท่านหาอะไรความรู้เหมือนกันเหมือนกับเรารับกานเนี่ยใครก็อิ่มใครก็อิ่มใครก็รู้เผ็ดร้อนเผ็ดเค็มใครก็รู้ด้วยกันในลิ้นโดลิ้นโดลิ้นอิ่มันก็รู้ด้วยกันแล้วจะถามกันหาอะไรนี่ก็แบบเดียวกันแล้วหมดปัญหาไปตั้งแต่การมรรคคะเพราะอันนี้หัวปัญหาแล้ว ร่างกายมันก็มันพองมันแล้วเมื่อมันพองแล้วมันไม่ยอมพิจารณานะนั่นเห็นไหมเวลามันพิจารณามันหมชถอยเมื่อไหร่คันกันทั้งวันทั้งคืนกับอันเนี่ยแต่เวลามันอิ่มตัวมันแล้วมันก็พอมันปล่อยแน่มันปล่อยอย่างงั้นนี่เห็นเห็นที่ท่านกันสิบางครั้งพิจารณามันก็ไม่ยอมพิจารณาพี่น่าฮาอะไรเนี่ยถ้าจะพูดแบบโลโลนะแต่นั้นมันไม่ถึงอย่างนั้นมันรู้ของมันแล้วเนี่ยมันก็หมุนดูงแต่พวกนามธรรมเตี้ยวเตี้ยว หมือนกันไปเหมือนกับไปมันก็นกเข้าไปหาจุดนั้นแล้วเดี่ยวอวิชชาอวิชชาโถเวลาอวิชชาแผ่อำนาเนี่ยอวิชชามันอยู่ฉากหลังตัวราคะตัณหานี่อยู่ฉากหน้าตัวนี้ตัวรุนแรงมากนะผาดโผนโจทยานมากที่สุดตัวนี้เรื่องสติปัญญานี่มาทุ่มตรงนี้นี่เหมือนน้หนุ่นไหลโจรลงมาจากภูเขาเน่ เป็นสติปัญญาที่ผ่าดผลโจนทยานที่สุดก็คือสติปัญญาขั้นราคาเนี่ยมันเป็นตันเองนี่พุ่งพุ่งรุนแรงมากนะพุ่งพุ่งพุ่งนี่มันเป็นอัตโนมัติมาแล้วเนี่ยขั้นนี้ก็เป็นแล้วนะนนการมาราคานี่เป็นอัตโนมัติแล้วพุ่งพุ่งแล้วถ้าใครจะผ่านจากนี้ไปแล้วเรื่องลูกเสียงกินนรดเครื่องเสบ่นนหมดปัญหาไปพร้อมกันกับ ร่างกายหมดปัญหาราคะหมดปัญหานั่นมันเห็นอย่างนั้นสิมันตัดหมดแล้วไม่มีอะไรเหลือแล้วร่างกายเจ้ของอยู่กับเจ้ของมันก็รู้หมดนะมันก็ไม่เล่นอันนี้กับเกี่ยวกับเรื่องร่างกายภายนอกที่แบบเป็นรูปภายนอกมันก็หมดปัญหาตามกันมันมันก็เหมือนกันออกจากนั้นแล้วมันกละเอียดเข้าไปปัญญาละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปมีแต่เรื่องสัญญาสังขารเนยมันเอากันอย่างนี้ สัญญาสังขารปัญญาสังขารที่มันปรุงมันแต่งอะไรฝึกซ้อมกันอยู่นี่แหละเอาอันนี้หละฝึกซ้อมปฏิปัญญาขั้นละเอียดเป็นน้ําซับน้ำซึมนะที่นี่นะไหลลินทั้งวันทั้งคืนแต่ไม่ดุนแรงหากไม่อยุดอยู่ในก็หมุนกันอยู่อย่างนั้นตี้วเตีตีละเอียดก็ไปละเอียดก็ไปโอ้ยพูดยากนะจกนกระทั่งถึงจะว่าอาเรื่อกว่ตามนะเมื่อมันชุด ตรงนี้เพราะตรงนี้เราก็เห็นเนี่ยละเอียดก็้าไปตรงนี้เราก็เห็นละเอียดยิ่งกว่านั้นมันคืออะไรนั่นน่ะนั่นอ่ ะ, อะมันเห็นอยู่มันรู้อยู่นี่แต่ไม่เห็นมีไม่เห็นมีชื่อว่าไงพระมหาธีปัญญามันก็เด่นอยู่แล้วในหัวใจของเรามันเผออะไรที่ไหนเมื่ อ, อไหร่วะนั่นทึงนี้พเอเข้าถึงกันซึมซาบ ม, มันคืออะไรทําให้เป็นการอ่านเลื่อมเราก็จะว่าปัญญาเราก็ว่าญาณสิมันซึมเข้าไปญาณย่างซาบเข้าไปย่างซาบเข้าไป อ๋อเป็นอย่างนี้เองเวลามันไมเป็นนะมันเป็นก็ในหัวใจเจ้าของไม่ได้ไปเรียนจากผู้ใดเรียนจากหลักธรรมชาติที่เป็นอยู่ใน เ, เจ้าของนี่หัน่นละเอียดละออก็ละเอียดละออสุดขีดที่จะพูดนำมาพูดไปได้แต่มับางอย่างนะถ้ามันไม่เป็นในเจ้าของเองแล้วมันพูดไม่ได้นะจะพูดให้ได้ทุกอย่างไม่ได้บางอย่างเป็นไม่ใช้วิสัยที่จะนํามาพูดกันไม่ทราบจะพูดหาอะไรก็เหมือนไม่รู้นี่หรือยู่งั่นพอมันตะล่อมเข้าไปตะล่อมเข้าไปตะล่อมเข้าไป วิชาหมดทางเดินดิทางลูกทางเสียงทางดิ่นทั้งรถนี่ราคาตันหานี่สุดเหวียงนะมันออกเล่นละครวันนี้สุดเหวี่ยงโลกธาตุไหวนุ่นเนี่ยอวิชาเป็นเตียงพื้นใหเฉยนะตัวราคาตันหาตัวรุนแรงตัวทํางานทีน่นหนักมากที่สุดแก่จิต ใ, ใจของโลกนะชอบก็ชอบมากที่สุดทุกข์ก็ทุกข์มากที่สุดไม่รู้มันไปตามกันว่างไรความร้อนกับเปลวไฟสว่างจ้าก็เจิงแต่ว่าความร้อนมันก็ แผดไปตามกันนั่นอันนี้กืเหมือนกันความเพลิดความเพลินก็เพลินจริงแต่ความทุกข์มันไปด้วยกันไปไปกันมันไม่ให้รู้นี่นะอย่างเดียวมันเหนือทุกสิ่งทุกอย่างอย่างดี้โอ้โหโอ้โหเวลามันผ่านไปแล้วนี้ไปสอนใครให้รู้จสอน ใ, ให้รู้เหมือนหนึ่งว่าสุภิสัยที่จะสอนยังไม่สอนหาอะไรโถโถอย่างไรล่ะโอ้โหแล้วโถอันเดียวกันนี่แหละมันมันอุทาน สุดเหวี่ยงมันมันเป็นมันไม่เป็นต้องเจ้าของเองมันถึงชัดว่ะพอเข้าถึงกันละเอียดแล้วเมื่อราคาตันหามันมอดลงไม่มีเหลือแล้วนี่รูปเสียงกินรดมันไม่เห็นมีความหมายอะไรนี่นั่นแล้วตัวนี้ดับกันมันก็เห็นจะชัดนั่นเอามนขนาดนั้นสิตัวตเก่งๆนี่แล้วที่นี้จะมีอะไรเป็นภารนะ ความดึงความดูดที่สุดที่หนักที่สุดตัวนี้อยตัวดึงดูดที่สุดตัวกดตัวถ่วงที่สุดคือตัวราคาตัวเนี้ยไม่หนักมากนะเวลามันฟัดกันมันก็เพราะมันถึงถึงถึงได้ผ่าผลโจ น, นทยานสิไมันไม่อย่างนั้นไม่ทันกันนี่ก็พุ่งพุ่งพุ่งพอพอตัวนี้ดับลงไปแล้วทีวน่นี่อะไรมันก็หมดเลยหมดข้อหมายตามๆกันนะโอ้โตัวราคานีเองตัวสร้างความหมาย ถ้าเกิดความยุ่งเหยิงวุ่นวายจนถึงขั้นหมานแต่ถูกมีราคะนี่ตัวสาคัญหน่ะขึ้นมันจับได้เลยทีเดียวพอนี่ดับไปแล้วมันก็เหมือนไม่มีอะไรทั้งทั้งติชิเดียมันก็ยังมีก็รู้อยู่ว่ามีอยู่นะแต่มันไม่เห็นมีอะไรที่จะมากวนใจงมันมีอันนี้เท่านั้นอันนี้เท่านั้นนั่นน่ะเห็นไหมนี่เข้าไปถึงอวิชชาด้วยมันก็ไม่ได้สร้างความทุกข์อะไรลําบากให้เราอะไรมากนั่งนี่นะพอถึงขั้นอวิชชาล้วนแล้วนะมันมีแต่ความ อะไรอัศจรรย์ความองอาจกล้าหาญความผ่องใสความอ้อยอิงมันติดขังมันอยู่นั่นมันงก็ติดอย่างทุกอย่างละเอียดมันไม่ทําความกระเทือนให้เรานี่ยนะนั่นอ่ะมันเห็นช่านอย่างนั้นพอถึงขั้นที่มันจะม้วนเสือกันแล้วอันนี้ม้วนเสือไปแล้วมันก็หมดปัญหาไปเลยที่ในทั้นที่แบบราคาตันหานี่มันหมดนี่แบบมันจึงเหมือนว่าเหมือนกับว่าบ้านบ้านร้างแต่มีคนอยู่ดันเทียบบ้านร้างคืออะไร ตัวใหญ่นี้มันพังลงหมดแล้วราคาตันหานี่พังหมดแล้วตัวคึกตัวขนองตัวนักเลงตัวตัวอันตพานตัวนี้ทั้งนั้นวางนั่นเลยนะเน่จะเป็นกินเหล้าเมายาเที่ยวปลนเที่ยวขี้สะดมอะไรอะไรทำบ้านเมืองให้แหกเล้วไปไม่มีประมาณนี้ก็ตัวนี้ทั้งนั้นตัวนี้ทั้งนั้นพอตัวนี้มันพังไปแล้วไม่เห็นมีอะไรมาแสดงอย่างนี้นินะ อก็เหมือนกับว่ามีแต่สมบัติผู้ดีอยู่ในบ้านในเดือนก็ไม่มีใครมาก่อเรื่องก่อราวขึ้นในบ้านในเดือนพอให้ควา ม, วามโกรธโหงอุ่นอมานขึ้นมากจึงว่าจริงได้เทียบเหมือนกับว่าบ้านล้างแต่มีคนอยู่คือคนดีอยู่คนชั่วมันตายไปแล้วมีแต่คนดีอยู่มีแต่กิจเดียของกิตที่พอเหมาะพอดีธรรมดาธรรมดาไม่มีอะไรพลาด ผ, ผ, ผลนี่เหนือมันก็เข้าหาตุนนั้น น, นี่มีคนอยู่คือยังมีวิชาอยู่นั่น ยังมีสมมุติอยู่นะบ้านร้างก็คือตัวราคาตันหามันพังตัวคึกตัวขนองตัวนักเลงโตนี่มันพังไปนี่เรียกว่านักเลงโตมันถึงถึงถึงเหตุถึงผลกับมันกับเรื่องตัวเนี่ตัวอันตพานตัวนักเลงโตไม่ฟังเหตุฟังผลนะอันตพานตัวนี้เหมือนกันนะไม่ฟังเหตุฟังผลอะไทั้งนั้นนะฮะว่านพังไปแล้วที่นี้มันก็มีแต่อาการของจิตที่ละเอียดละเอียดละเอียดนี่เทีบเหมือนกับคนดี ของบ้านของเมืองไม่เห็นก่อเรื่องของเราอะไรเนี่ยที่ว่าบ้านลา้างแต่มีคนอยู่เพราะฉะนั้นอันนี้มวนม้วนเสื่อลงไปแล้วมันก็ไม่เห็นมีอะไรหันแต่ที่ว่ามันเทียบกันเรื่องอวิชากับธรรมชาติที่บริสุทธิ์นั้นมันก็เทียบได้อย่างนั้นแล้วอวิชชาที่ว่าอ้ยอยอิงที่สุดที่อาตจันรรที่สุ ด, สดเกินคาดไม่มีอะไรที่จะอาตจันยิ่งกว่านี้โ น, น่นเหรอเวลานั้นนะโอโ้โหโอ้โหจนอุทานนุ่นนะนั่นแห้ะจิตน้องเราถึงได้อาตจันถรรึงขนาด น, นี้ขนาด น, นี้ ว่าบองใสกับพิริพิรันเท่าจนอัศจรรย์เหมือนกันนั่นแหละเราผงใสกขาบอกก้าหารองอาจาก้าหารอะไรก็อยู่ น, นั้นหมดอัศจรรย์ด้วยกันไปตำตามกันหมดนะ <c oughs> อืเอละอันนี้มันดับลงไปแล้วที่นี่มันเลยกลับดับอันนี้แล้วมันคืออะไรอยู่ข้างล่างนั่นอ่ะถ้าถ้าเทียบนะเนื้ออันนี้ปิดไว้ไม่เห็นพออันนี้ดับคริ่ลงไปแล้วนั่นคืออะไรนั่นแหละที่นี่จึงเทียบได้ อันนี้เหมือนกองขี้ควายนั่นเห็นไหมที่ว่าอาจจจัจฉริัอจจจัอจฉริยะนะอัจฉริยะหนาจนออกอุทานในตั ว, วนั่นหรอกับอันนั้นต่างกันยังไงมันมากลายเป็นกองกองขี้ควายแล้วนี่นะของละเอียดเป็นยังไงธรรมชาตินั่นต่างกันขนาดไหนฟังที่ถึงได้เทียบมันก็เหมือนกับกองขี้ควายทางนี้นั่นละที่ ว, ว่าโลกข้าไม่ถึงโรถที่ไม่ได้ทําไมเป็นสิ่งอย่างเดียวนี่ขาดจนมันตายก็ไม่ได้เรื่องหรอวะ พอเป็นก็ต้องอ๋อทันทีเลยกราบพระพุทธเจ้าราบเลยท่านพุทธะคืออะไรไม่ต้องถามโอมาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ยังไงท่านพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นหนึ่งอันเดียวกับธรรมชาตินี้ได้ยังไงท่านนั่นลงจุดนั่นน่ะนั่นระบาดรากนี่ดามีตัวมีตัวอยู่นี่น่ะตัวที่เห็นอยู่นี่รู้อยู่นี่ป ร, รประจิตปรจักษ์อยู่นี่น้านั่นธรรมคือนี่หน้าพระสงค์สาวกคือนี่หน้านั่นลงนั้นหมดแล้วถึงว่าเป็นมาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ยังไงนั่น นี่แหละธรรมชาตินั้นจะแท้เป็นอย่างนั้นนั้นเป็นนายเจ้าของที่นี่พูดเพราะเป็นตากเป็นทางให้คิดท่านพิจารณาเท่านั้นแ่ะเดีย๋ยวจะไปหลงกองขี้ควายอยู่นั่นเวลามันเข้าไปมันหลงได้นะสติปัญญาขนาดไหนก็อย่างที่ว่าโหกเดียงไกลสุดยอดเลยยังไม่เป็นองค์คาร์ของมันได้นี่ยเก่งแม่อวิชาว่างั้นแต่นั้นมนทามทําคำว่าตกเตือนในหะ้เหมือนตัวอันตพานนี้อันนี้โหพี่ลองจริงนะ ทำให้โลกธาตุหวั่นไหวได้จริงๆธรรมชาตินี่มันทํางานนัเหมือนฟ้าดินถ ล, นะล่มเลยนะเวลาพิจารณาก็เหมือนฟ้าดินถล่มเอากันนะนี่แหละธรรมะสดๆร้อนๆอย่างนี้แหละอยากให้หมู่เพื่อนเนีปฏิบัติยนะอย่าไปสนใจกับสิ่งภายนอกเรื่องพาการภาให้เกิดแก่เจ็บตายมันมั น, ม, นมันเชือ้อเชื้ออหนึ่งที่จะหลอกเราให้ไปจงกุมมันจกุมกุมมันอย่ากน้อยก็ราช้าวัตวน หดเข้ามาย่นเข้ามาด้วยภาาปฏิบัติภาาปฏิบัตินี่ย่นเข้ามาเห็นชัดเห็นชัดเห็นชัดลงไปนี่เออตั้งแต่ได้หลักเกณฑ์แล้วเอออาราทีนได้หลักแล้วนี่เริ่มแล้วนะั่นเนี่ยเริ่มได้ได้หลักเกณฑ์ของการตัดวัตถวนน่ะนะยิ่งเข้าไปถึงขั้นอันนี้มันยิ่งชัดเข้าไปขั้นเอการมาราคะนี่ขาดสะ บ, บั้นลงไปแล้วอันนี้ยิ่งชัดยิ่งชัดละเอียดเข้าไปโดยลําดับลําดา นี่ที่ว่าพระอนาคามีท่านท่านมัมาเกิดท่านจะอะไรมาเกิดอะไระมาดึงดูดท่านมีอันเดียวท่านนี้ดึงดูดลากไว้ดึงไว้มันมันเหมือนอะไรอธรรมชาติอะไรที่มันดึงดูดโลก น, ะน่ะเฮ้อเขาเรียกอะไรเพราโลกนี้ดึงดูดวัตถุต่างๆทมันตกมาเนี่ยมันก็เหมือนกันนั่นแหละถ้าพ้นไปนี่ไปแล้วเป็นอากาศแล้วมันก็ไม่ดูดด้านิจิตมันพ้นอันนี้แล้วมันก็ไม่ดูดนั่นแหละพระอนาคามีท่านพ้นนี่แล้ว ไม่มีอะไรดึงดูดทีนี้เป็นอัตโนมัติของตัวเองเรื่อยเรื่อยหมุนเรื่อยคำว่าหมุนมันก็ไม่ถูกอ่ะจะจะไม่ทราบจะเอาอะไรมาพูดนะมันทั้งรู้อยู่ในตัวเองน่ะถ้ามีชีวิตอยู่นี้ก็เร่งเร่งเร่งพิจารณาไปเรื่อยไปได้เร็วถ้าถ้าสิ้นชีวิตไปแล้วธรรมชาตินั้นก็เป็นตัวของตัวธรรมชาติของตัวเองหมุนตัวเอง ถ้ว่าหมุนหรือว่าอะไรเป็นอัตโนมัติตัวเองที่จะทําให้ละเอียดก็ไปจุกระตั่งอวิชชาหมดมัน <c oughs> เป็นไปเองเป็นไปเองเป็นไปเองถึงสุดยอดไปเลยแต่ชาต่าง ก, กันกับที่มีชีวิตยอยู่เท่านั้นั่านอย่างนั้นใชอย่างที่ว่าท่านที่ว่าเกิดนั้นท่านกคยใช้ตามสมมูลเฉยๆนะเกิด <c oughs> ไ, ไปเกิดชั้นอวิหาอัตปาสุสาวสุขใช้ตามสมมูลให้มันเห็นในปัจจุบันจิตนี่น เกิดหรืไม่เกิดมันก็รู้เองจิตนี่ค่อยค่อยเคลื่อนย้ายตัวเองโดยลำดับลําดาลําดับลาดาโดยหลักธรรมชาติธรรมชาติมันรู้ในนั้นั้นมันเกิดที่ไหนตายที่ไหนวะนั่นมันเห็นอย่างนั้นที่เห็นที้ชั้นอย่างั้นงั้นเหรอแต่เมื่อเวลาท่านแสดงกับโลกที่หูหนวกตาบอดอย่างเรานี่ท่านก็ต้องพูดอย่างนั้นไว้เลยว่าไปเกิดในชั้นนั้นชั้นนี้อะไรนี่พอถึงจิตขั้นนั้นแล้ว เรื่องความเกิดความตายที่ไหนมันไม่คำนึงคำนวณแล้วมิแต่อันเดียวเนี้ยอันเดียวเนี้ยที่จะค่อยหมดไปหมดไปโอหมดเรลยไปเลยนั่นน่ะเป็นอย่างงั้นนะพูดเลยว่าโอ้ยเจอยู่อ่าโอ้หูหนวกตาบอดฟังมันโมโหให้เรากันีฆ่าพระสมุทรินวติทีเดียวไปนอนสบายดีโมโหอ่ะท่านเจอรี่รู้ไหมพูดอะไรอก็นี่หน้าหนีได้มันก็ไม่ได้เรื่องนะมันก็เลยโมโหอยู่ สิงอนี้ผมผมพูดเฉพาะที่ที่ควรจะพูดนะโลกสมมุติอันนี้มันแย่แย่งได้ทุกทีนะทั่นแหละกิเลสเนี่ยมันไม่ถอยอหละเมื่อมันเป็นก็แล้วมันก็ยอมกันเองที่ว่าไปเกิดในชั้นนั้นชั้นนี้อะไรตรงนี้แหละไม่นสนใจในภพในชาติอะไรอะไรนี่เวลาไปมันไปของมันแล้วนะไม่ได้สนใจในภพในชาติอะไรนี่แต่อันเดียวเนี่ย เป็นตัวของตัวเป็นตัวของตัวเนี่ยหมุนนี่เป็นตัวของตัวนี่แล้วผ่านไปผ่านไปถึงจุดที่หมดสมมติหรือเปล่าผ่านออกเท่านั้นเองเสมมติถึงขั้นอวิหาเอ า, าอา น, านิทานนั่นนหะสมมติถึงขั้นนั้นอวิชาไปดับขั้นนั้นนั่นแหละสมมติหมดตรงนั้นใช่ไหมว่าเกิดที่ตรงไหนตาที่ตรงไหน <laughs> พูดยาอยู่นะจะต้องพูดว่าใครจะ ตลาดเดมผมยิ่งกว่าศาสดาองค์เอกว่ะอืมถ้าเกิดในชา้นนั้นจะนี่บอกไว้ผู้ที่จะออกจะพบชาตินี้แล้วเพราเป็นอนาคตนี้แล้วก็เกิดในชาตินั้นชาตินั้นคือไปอยู่ในชาตินั้นก็ได้แน่ผ่านจากนี้ไปก็ไปนั่นเลยทิ้งร่างอันนี้เสียอธรรมชาติอันนี้ที่เป็นภูมิของตัวเองนี่ก็ไปละนี่ภูมิของตัวเองนั้นเนี่ยเป็นตัวงตัวนี้ว่าเกิดเนี่ย เขาจะขัดแย้งท่านอย่างไงเราเกิดฮะว่าว่าเกิดว่าตายเหมือนทั้งหลายมันพบทั้งหลายทีถ้าว่าเกิดมันก็มีตายเนี่ยอันนั้นมันไม่มีอะไรไปให้เกิดให้ตายมีแต่ลอกอวิชชาออกลอกอวิชชาออกนั้นมีอะไรเกิดอะไรตายอยู่ในนั้นนั่น น, น, น, นัมันเห็นได้ชัดอยู่มันแต่อันนี้แต่ธรรมดาเรานี่โว้มันเกิดมันตายจริงชัดเจนนี่ก็ดีเนี่ย เมื่อนี้ชัดเจนแล้วอันนั่นก็ชัดเจนเหมือนกันแล้วจะอะไรมาข้าศัตรกันวะมันเห็นยังงั้นสิการปฏิวัติอ๋อพมนี่เป็นพบเกิดพบตายในติดขั้นเหล่านี้เหล่านี้เป็นขั้นเกิดขั้นตายมันก็รู้ชัดชัทั้งวันอยู่นี่พอถึงขั้นนี้แล้วนี่ไปเกิดตรงไหนไปตายตรงไหนมันก็เห็นมันมันจับติดกันไปเรื่อยๆนี้ว่าไงเหมือนกับว่ามีแต่มีแต่ลอกออกปอกออกลอกออกปอกออกกับวิชาลอกออกเรื่อยๆแล้หมุนไปเรื่อยๆแล้วออกเรื่อยๆหมดเลยหั้นเกิดที่ตรงไหนตายที่ตรงไหน เกิดที่ทอวิหารพอตายจะวิหาแล้วไปเกิดอัตตาหรือตายจะเอาอัาปตาระเกิดอืสุตษาหรือตายจะชุตษาแล้วไปเกิดอ น, นิจธาหรือตายจากอ น, นิจธาแล้วจริงไปเกิดดุพานธ์งันหรือกั <c oughs> นพูดมันก็นยืดยาวไอ้ผู้ปฏิบัตินั่นแหะแล้วคํานี้อย่าลืมนะผมตายไปแล้วมันจะกังวลในหัวใจของผู้เป็นนั่นแหะเป็ยังไงผมพูดนี่เรื่องอุตตรีไหมผเห็นในตัวตัวเองแนละ้วมันยอมกันเองนล้วนะ ถึงขั้นยอมยอมรับว่าเกิดว่าตายก็มีนี่ก็พูดอยู่แล้วเนี่ยแล้วตรงนั้นมันเกิดหรือไม่เกิดหรือไม่เกิ ด, ากดาตายหรือไม่ตายนั่ น, น, นเจมันเห็นนั้งนั่นเลยมันต้องชัดวะโอ้ชัดจริงๆนะทำบุตรเจ้าประกาศไม่มีเล ม, มีเดียมอะไรเลยไม่มีร้อยสรรพสิ่งเหมือนที่เห็นนะกงแน่วต่อความจริงเลยนะแปลว่าสดสดร้อนๆล่ะสิบุตรเจ้านิพผ่านไปก็ตามมาสดสดร้อนๆส่วนร้อนอย่า น, นี่ก็ความจริงอริยสัจเป็นตัวของตัว ประกาศงวันอย่างนี้รวมกันนะผู้บริสุทธิ์นี่นั่นขี้กับปรทังนั้นเลยมุสาศัสน า, าเราจึงพุทธเป็นพุทธศานสน า, าที่เอกสมบูรณ์เต็มที่อสาสัตเป็นแก่นของศาสนาบริสุทธิ์ได้ทั้งนั้นถ้าลงก้าวขกุงรันนะวางั่นเลยนั่นพระพุทธเจ้าจะ ม, มีเป็นหมื่นแสนล้านล้าได้ยังไงนั่นมมี อะไรเขาเรียกโรงงานกับว่าก็ถูกเครื่องการกรองอุทยสัตว์สีพระสาวก็ดีพระพระเจต ก, ก็ดีไม่พ้นอันนี้นะต้องออกจากนี้ด้วยกันทั้งนั้นเป็นแตเพียงว่าพระเจตท่านเป็นโดยหลักธรรมชาติของท่านเองหากเป็นในวงอุทยสัตว์ไม่เป็นที่อื่นเป็นที่อื่นไปไม่ได้อุทยสัตวในตอนนั้นเป็นเครื่องยืนยัน ต้องผ่านนี้ไหมผ่านนี้เป็นบุญผู้บุญสุดไม่ได้วางั่นเลยยันคําเดียวนี้เลยที่นี่เลยเพราะนั่นึงว่าอเยสันนี้เป็นหลักแก้วของศาสนาพุทธเราอะไรที่ถามแก่คุณถามพระเจ้าถึงเรื่องมรรคแปดอะไรเอาถึงถามถึงเรื่องศาสนามีเยอะอนะศาสนาได้จริงศาสนาได้เท็อะไรโอ้ยอย่าถามเรไรมากศาสนานจะมีมแปดศาสนาเนี่ยเป็นศาสนาที่ทรงมรรคทรงผล ที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่จะเกิดเกิดจากศาสนานี้นั่นดันว่างั้นนะวันท่านจะเวลาท่านเสด็จปฏิพั น, น์ท่านก็ชัดชัดอยู่นั่นท่านย่นเข้ามาจะถามจะถามโคตมากเพราะมีเวลาน้อยย่นเข้ามาให้เลยหนุ่มๆนั่งก็พร้อมแล้วนี่ที่จะบรรลุธรรมอยู่แล้วอาท่านสาเร็จในะคืนวันนี้นะเอาสําเร็จเลยเพราะท่านจ่อเข้าไปอริยสัจแล้วนี่ท่านจะพุ่งแล้ว วิงเงียนก็ค่อยชั่วหน่อยละยาหนึ่งยเฉพาะกันนวดเส้นบ้างเพราะยาบ้างหรืออะไรไม่รู้นะคลายชั่วหน่อยบินสบายก็รับได้หลายบาทหน่อยพอรู้สึกนิดๆผมหนีเลยส่วนนี้ไม่รับต่อแล้วคนคนนักลุมโมนที่คนข้างในก็เยอะยังมีอยู่เยอะโอ้สองสารหุ้งก็ดีทางกล้ทางกลอยู่ที่ไหนบ้าน สชั้นห้าชั้นก็ไม่ยอมอยู่มาอยู่ก ร, กระต๊อกก็แท็บในแคร์ในร้านนี่จะทาํางไงจึงได้ปลูกตีให้อีกเพื่อให้ได้อยู่กันมันงนั้นแล้วมาแยกแยะงันที่ไม่ได้เป็นเถ็นตรงนี่วะปลูกหลังนี้ให้อยู่พอได้อาศัยบ้างเพราะยังไงก็ไม่ถอยหนี่มาเรื่อยๆยนี่ว่าไงหลวงก็ต้องเลยทําที่บ้า ง, งดีไมด่ดีอาจจะได้ปลูกอีกก็ได้เนี่ยคนมีราคาเท่าไหร่เน่เวลาจะแยก คนมีคุณค่าขนาดไหนมีคุณค่าเท่าไหร่เรื่องไม้เหล่านี้มันมีคุณค่าเท่าไหร่แน่แยกปั๊บเดียวแยกด้วยเหตุและผลต้องจริยธรรมอะไรควรมีเหตุมีผลทําอะไรหมดถึงการเวลาที่ควรจะพิจารณาเปลี่ยนแปลงในหรือนี่นนให้มันเป็นยังไงให้พิจารณาด้วยเหตุและผลแต่จะเป็นแบบสร้างมู่งว่าม่หาเหตุาผลไม่ได้นั้นยานะอะไรก็มีแต่สร้างอะไรก็มีแต่สร้างหาเหตุผลไม่ได้นี่ อันนี้ใช่ไม่ได้เลยคนไม่มีเหตุผลแก้กิเลสไม่ได้นะหัน่นเอาลงตรงจุดนี้นะเอาล่นะเร่มเลย